คุณโทษและการสลัดออกไปจากเวทนาภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศรธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดภิกษุน์สงัดจากกามและอกุศรธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยนั้นเธอไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตนไม่คิดมุ่งเบียดเบียนผู้อื่นทั้งไม่คิดมุ่งเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอจึงสวยเวทนาซึ่งไม่มีการเบียดเบียนนั่นแหลเรากล่าวว่าความไม่มุ่งเบียดเบียนกันเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดเพราะวิตกวิจาร์สงบระ ง, งับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานละถึงในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตนละถึงเรากล่าวว่า ความไม่คิดมุ่มเบียดเบียนกันเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในสมัยใดเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขาในสมัยนั้น เธอย่อมไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตนละถึงเรากล่าวว่าความไม่คิดมุ่งเบียดเบียนกันเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ในสมัยใดเพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตถฌานในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตนไม่คิดมุ่งเบียดเบียนผู้อื่นทั้งไม่คิดมุ่งเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าความไม่คิดมุ่งเบียดเบียนกันเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษแห่งเวทนาทั้งหลายคือ การที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้ชื่อว่าโทษแห่งเวทนาทั้งหลายอะไรเล่าเป็นการสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลายคือการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายได้นี้ชื่อว่าการสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดคุณแห่งเวทนาทั้งหลายว่าเป็นคุณ ไม่รู้ชัดโทษแห่งเวทนาทั้งหลายว่าเป็นโทษและไม่รู้ชัดการสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเหล่านั้นจะรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้เองหรือจากชักชวนผู้อื่นเพื่อให้รู้อย่างนั้นและผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จะรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่ง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 ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาทุกขกขันธสูตรที่สามจบ 4. จุลทุกขกขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกสูตรเล็กเขาพราเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคโครธารามเขตกลุ่มกบิลพัตในแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วประทับนั่งณที่สมควรเด็กราทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วสิ้นกาลนานอย่างนี้ว่าโลภะเป็นอุปกิเล์แห่งจิตโทสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโมหะเป็นอุปกเลสแห่งจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นบางคราวโลภะธรรมยังครอบงำจิต ข, ของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างโทสะธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้าง โมหธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทำอะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้ในภายในซึ่งเป็นเหตุให้โลภธรรมยังครอบงมจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างโทสะธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างโมหธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างเป็นครั้งคราวพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหานามะธรรมในภายในนั้นแหละเธอยังละไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้โลภธรรมครอบงำจิตของเธอไว้ได้บ้างโทสะธรรมครอบงำจิตของเธอไว้ได้บ้างโมหะธรรมครอบงำจิตของเธอไว้ได้บ้างเป็นครั้งคราวถ้าเธอจักละธรรมในภายในนั้นได้แล้วเธอก็จะไม่พึงอยู่ครองเรือนไม่พึงบริโภคกามแต่เพราะเธอละธรรมในภายในนั้นยังไม่ได้ เธอจึงยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกรรมแม้หากอริยสาวกเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่ากรรมทั้งหลายมียินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่คกวตามแต่อริยสาวกนั้นก็ยังไม่บรรลุฌานที่มีปีติและสุขที่ปราศจากกรรมทั้งหลายปราศจากอากุศลธรรมทั้งหลาย หรือยังไม่บรรลุธรรมอื่นที่สงบกว่าฌานทั้งสองนั้นดังนั้นเขาจึงชื่อว่าจะไม่เวียนมาหาการามทั้งหลายอีกก็หาไม่แต่เมื่อใดอริยสาวกเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าการามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่อริยสาวกนั้นย่อมบรรลุฌานที่มีปีติและสุขที่ปราศจากการามทั้งหลาย ปราศจากอากุโสธรรมทั้งหลายหรือบรรลุธรรมอื่นที่สงบกว่าฌานทั้งสองนั้นเมื่อนั้นเขาจึงชื่อว่าย่อมไม่เวียนมหากรามทั้งหลายอีกมหานามะก่อนการตรัสรู้แม้เมื่อครั้งเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เราก็เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ากรามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก มีโทษยิ่งใหญ่ก็ตามแต่เราก็ยังไม่บรรลุฌานที่มีปิติและสุขที่ปราศจากกรรมทั้งหลายปราศจากอากุศลธรรมทั้งหลายหรือยังไม่บรรลุธรรมอื่นที่สงบกว่าฌานทั้งสองนั้นดังนั้นเราจึงปฏิญญาว่าชื่อว่าจะไม่เวียนมาหากรรมทั้งหลายก็หาไม่แต่เมื่อใดเราเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ากรรมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่เราได้บรรลุฌานที่มีปีติและสุขที่ปราศจากกา ร, รมทั้งหลายปราศจากอากุศลธรรมทั้งหลายหรือบรรลุธรรมอื่นที่สงบกว่าฌานทั้งสองนั้นเมื่อนั้นเราจึงปฏิ ญ, ญาว่าไม่เวียนมาหากา ร, รมทั้งหลายอีก คุณแห่งกามมหานามะอะไรเล่าเป็นคุณแห่งกลามทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัด 2. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รถที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโ้าโพธะะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่หน้าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามาคุณมีหประการนี้แลการที่สุกโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยการมาคุณห้าประการนี้ชื่อว่าเป็นคุณแห่งการทั้งหลาย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 เดือดร้อนเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานและตายเพราะความหิวกระหายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นต้นเหตุมีการมเป็นเหตุเกิดเกิด เ, เพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแหลถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียนพยายามอยู่อย่างนี้ผู้สมบัติเหล่านั้นย่อมไม่สำเร็จผล เขาเศร้าโศกลําบากรําพันธ์ตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเพ้อว่าความขยันของเราเป็นหมูฆะหนอความพยายามของเราก็ไม่มีผลเลยหนอแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นต้นเหตุมีการมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแหล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 เมื่อกุลบุตรนั้นรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาริบโภคสมบัตินั้นไปก็ดีพวกโจรปล้นเอาไปก็ดีไฟไหม้เสียก็ดีน้ำพัดไปก็ดีทายาทผู้ไม่เป็นที่รักแย่งเอาไปก็ดีเขาเศร้าโศกลำบากรำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเพอว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า เป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแหละอีกประการหนึ่งเพราะกรรมเป็นเหตุเพราะกรรมเป็นต้นเหตุเพราะกรรมเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นแลพระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้กษัตรวิวาทกับกษัตรก็ได้ พราหมวิวาสกับพราหมณ์ก็ได้ขหะบดีวิวาสกับขหะบดีก็ได้มารดาว you know. ิวาสกับบุตรก็ได้บุตรวิวาสกับมารดาก็ได้บิดาวิวาสกับบุตรก็ได้บุตรวิวาสกับบิดาก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาสกับพี่ชายน้องชายก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาทกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาสกับพี่ชายน้องชายก็ได้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 เฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วจับหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่างใบไม้บ้างรถตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัข ก, กัดกินจนเหลือแต่กระดดกบ้างให้นอนบนเหลาเหล็กทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้าง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 ลัทธิของนิครนมหานามะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูรเขตกรุงราชครืสมัยนั้นณตาบลกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลินิครนเป็นจำนวนมากถือการยืนเป็นวัดปฏิเสธการนั่งสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความพยายามครั้งนั้นเราออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น เข้าไปหานิโครนเหล่านั้นจนถึงตำบลกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิแล้วด้วยกล่าวกับนิโครนเหล่านั้นว่านิโครนทั้งหลายฉนไหนเล่าท่านทั้งหลายจึงถือการยืนเป็นวัดปฏิเสธการนั่งสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความพยายามเมื่อเรากล่าวอย่างนั้นแล้วนิโครนเหล่านั้นเรียกล่าวกับเราว่าท่านผู้มีอายุนิโครนหน้าตบุตร เป็นสัพพัญยูผู้รู้ทุกสิ่งเห็นสิ่งทั้งปวงปติญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ยาณทัศนะได้ปรากฏต่อนเนื่องตลอดไปนิครนหน้าตบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่านิครนทั้งหลายผู้เจริญบาปกรรมที่พวกท่านทำแล้วในการก่อนมีอยู่ พวกท่านจงสลัดบาปกรรมนั้นด้วยปฏิปทาที่ทำได้ยากอันเผ็ดร้อนนี้ข้อที่ท่านทั้งหลายสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจในการบัดนี้นั้นเป็นการไม่กระทำบาปกรรมต่อไปเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดไปเพราะตบะบักการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อานาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอานาจแห่งกรรมต่อไป กรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกจึงสิ้นไปเพราะทุกสิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปคำที่นิโครนหน้าตบุตรกล่าวแล้วนั้นถูกใจและชอบใจเราทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงมีใจยินดีมหานามะเมื่อพวกนิโครนกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับนิโครนเหล่านั้นว่า นิโครนท ok ั mean, và, ้งหลายพวกท่านรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายได้มีแล้วมิใช่ไม่ได้มีแล้วพวกนิโครนตอบว่าท่านพระโคดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้มิใช่ไม่ได้ทำไว้พวกนิโครนตอบว่าท่านพระโคดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้น ตาาคตถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมเช่นนี้บ้างเช่นนี้บ้างพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตาาคตถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่าเมื่อก่อนทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วทุกเท่านี้เราพึงสลัดเสียหรือเมื่อเราสลัดทุกเท่านี้ได้แล้วก็จะเป็นอันสลัดทุกได้ทั้งหมด พวกนิครนตอบว่าท่านพระโคดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตาถาคตถามว่าพวกท่านรู้จักการและอกถถากุศลธรรมทั้งหลายการบำเพญ็ญกุศลธรรมทั้งหลายในปัจจุบันหรือพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าท่านนิครนทั้งหลายได้ยินมาว่าพวกท่านไม่รู้ว่า เมื่อก่อนเราทั้งหลายได้มีแล้วมิใช่ไม่ได้มีแล้วไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเราได้ทำบาปกรรมไว้มิใช่ไม่ได้ทำไว้ไม่รู้ว่าเราได้ทำบาปกรรมเช่นนี้บ้างเช่นนี no ้บ้างไม่รู้ว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วทุกเท่านี้เราพึงสลัดเสียหรือเมื่อเราสลัดทุกเท่านี้ได้แล้วก็จกเป็นอันสลัดทุกได้ทั้งหมด ไม่รู้จากการละอาคุศสรธรรมทั้งหลายการบำเพ็ญกุโสรธรรมทั้งหลายในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่บวชในพวกนิครณก็เฉพาะแต่พวกคนโหดร้ายมีมือเปื้อนเลือดทำกรรมชั่วช้ากลับมาเกิดในหมู่มนุษย์ในโลก บุคคลผู้อยู่เป็นสุขพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคดมบุคคลไม่ใช่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความสุขแต่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์ถ้าบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแควนมคตก็คงจะประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแขวนมคตจะอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโคดมตถาคตถามว่า นิครนทั้งหลายกล่าววาจาหุนหันไม่ทันพิจารณาอย่างแน่แท้ว่าบุคคลไม่ใช่จะพืงประสบความสุขได้ด้วยความสุขแต่จะพืงประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์ถ้าบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแควนมคตก็คงจะประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแควนมคตจะอยู่เป็นสุขยิ่งกว่าท่านพระโคดม แต่ว่าเราเท่านั้นที่พวกท่านควรซักถามในเนื้อความนั้นว่าบรรดาท่านทั้งหลายใครเล่าหนออยู่เป็นสุขกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทับแคว้นมคตหรือท่านพระโคดมเองพวกนิครนตอบว่าพวกข้าพเจ้ากล่าววาจาหุนหันไม่ทันพิจารณาอย่างแน่แท้ว่าบุคคลไม่ใช่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความสุขแต่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์ ถ้าบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคตก็คงจะประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคตจะอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระ โ, โคดมขอโอกาสหยุดเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้แม้บัดนี้พวกข้าพาระเจ้าจะถามท่านพระโคดมบ้างว่าบรรดาท่านทั้งหลายใครเล่าหนออยู่เป็นสุขกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคต หรือท่านพระโคดมเองตถาคตถามว่าถ้าอย่างนั้นในเนื้อความข้อนั้นเราจะถามพวกท่านนั่นแล ว, ว่าพวกท่านเข้าใจอย่างใดควรตอบอย่างนั้นพวกท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแขวนมคตไม่ทรงเคลื่อนไหวพระวรกายไม่มีพระดํารัสสามารถสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันหรือ พวกนี้ครนตอบว่าท่านพระโคดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นต้าทาคตถามว่าพวกท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคตไม่ทรงเคลื่อนไหวพระวรกายไม่มีพระดำรัสสามารถสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอดหกคืนหกวันห้าคืนห้าวันสี่คืนสี่วันสามคืนสามวันสองคืนสองวัน พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคตไม่ทรงเคลื่อนไหวพระวรากายไม่มีพระดำรัสสามารถสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอดหนึ่งคืนหนึ่งวันได้หรือพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคโดมข้อ น, นี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าเราไม่เคลื่อนไหวกายไม่พูดสามารถสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอดหนึ่งคืนหนึ่งวันสองคืนสองวัน สคืนสามวันสี่คืนสี่วันห้าคืนห้าวันหคืนหวันเราไม่เคลื่อนไหวกายไม่พูดสามารถสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอดเจดคืนเจ็วันพวกท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจะอยู่เป็นสุขกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทับแคว้นมคตหรือเราเองพวกนิครนตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านพระโคดมเท่านั้นอยู่เป็นสูขกว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทับแควนมคตพระผู้มีพระภาคได้ตรพัพสิทธินี้แล้วเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะทรงมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูละทุกขขันธสูตรที่สี่จบ นุมาณสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นทมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้าพเจ้าได้ระดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะพมนักอยู่ณนะเพสกะลาวันสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อเขตกรุงสูงสุมาระคีระในแคว้นพักคะณนะที่นั้นท่านพระมหาโมคลานะได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหาโมคคลานะจึงเล่าเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุะวารณาว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้า พ, เ จ, าาพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคาพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้น เพื่อนโรมจารีทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรพร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาป ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาทีทา่เป็นบ า, าป น, นีน้ก็เป็นธรรมนน ท, ที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 2. เป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 3. เป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความกโกรธครอบงำแล้วนี้ ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 4. เป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 5. เป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายาก 6. เป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายาก 7. ถูกโจดแล้วกลับโต้เถียงโจดแม้ข้อที่ภิกษุถูกโจดแล้วกลับโต้เถียงโจดนี้ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายาก8 ถูกโจดแล้วกลับลุกรานโจดแม้ข้อที่ภิกษุถูกโจดแล้วกลับลุกรานโจดนี้ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายาก 9. ถูกโจดแล้วกลับปรักปรำโจดแม้ข้อที่ภิกษุถูกโจดแล้วกลับปรักปรำโจดนี้ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายาก 10. ถูกโจดแล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดโนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้าย และความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ข้อที่ภิกษุถูกโจ์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 11. ถูกโจดแล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนแม้ข้อที่ภิกษุถูกโจทแล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 12. เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 13. เป็นผู้ริศยาตรณีแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ริยาตรณีนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 14. เป็นผู้โอ้อวดมีมานยาแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมานยานี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 15. เป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 16. เป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยาก แม้ข้อที่พิกษุเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรัน้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากธรรมเหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุไม่ปราวาณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคําพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอน และควรไว้วางใจรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่างง่ายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมที่ทาให้เป็นผู้ว่างง่าย 2. เป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย 3. เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย 4. เป็นผู้ไม่มักโกรธ ไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่าง่ายหเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่าง่ายห เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่างง่ายเจ็ดถูกโจ์แล้วไม่โต้เถียงโจ์แม้ข้อที่ภิกษุถูกโจ์แล้วไม่โต้เถียงโจ์นี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่างง่าย 8. ถูกโจดแล้วไม่รุกรานโจด แม้ข้อที่ภิกษุถูกโจดแล้วไม่รุกรานโจดนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย 9. 9. ้ถูกโจดแล้วไม่ปรักปราโจดแม้ข้อที่ภิกษุถูกโจดแล้วไม่ปรักปราโจดนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย 10. ถูกโจดแล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏ แม้ข้อที่ภิกษุถูกโจดแล้วไม่พูดกลบเกลือนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่าง่าย 11. ถูกโจดแล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนแม้ข้อที่ภิกษุถูกโจดแล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่าง่าย 12. เป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่างง่าย 13. เป็นผู้ไม่ริศยาไม่ตรณีแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริศยาไม่ตรณีนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่างง่าย 14. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมานยา แม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่อ้อดไม่มีมานยานี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย 15. เป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย 16. เป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดได้ง่าย แม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรันสลัดได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายธรรมเหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่างาาาาาาาง่าย